เรานี่มีความสามารถในการปรับตัวปรับใจได้เร็วมากสักพักก็จะรู้สึกว่าคุ้นเคยทีนี้แหละก็จะรู้สึกว่าวันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วประเดี๋ยวเดียวก็ครบหนึ่งปักก็มานัดปฏิโมกกันประเดี๋ยวเดียวก็ครบ1เดือนประเดี๋ยวเดียวก็ได้เวลาออกพรรษาแล้วเพราะว่าส่วนหนึ่งก็ความสงบของบรรยากาศ สถานที่มันก็ช่วยเป็นใจด้วยที่จะทำให้เรารู้สึกคุ้นเคยปรับตัวแล้วก็พึงพอใจกับชีวิตที่เรียบง่ายชีวิตที่นี้มันก็จะเรียบง่ายสำหรับคนจานวนมากที่อาจจะพึ่งลางงานมาพอได้มาคุ้นเคยกับชีวิตแบบนี้ก็จะเริ่มรู้สึกถึงความสงบและพอเกิดความสงบแล้วนะเวลาก็จะเริ่มผ่านไปอย่างรวดเร็ว ตรงข้ามกับเวลาที่ทุกทรมานเบื่อเหนื่อยนายหรือว่าคิดถึงบ้านแต่และนาทีแต่และนาทีมันจะช้ามากนั่นสหรับหลายๆคนที่รู้สึกว่า90วันในช่วงเข้าพรรษานี่เป็นเวลาที่ยาวก็อยา่าประมาทเพราะว่าเวลามันจะผ่านไปเร็วมากถึงตอนนั้นก็พอพรรษาแล้วได้เวลาสึกก็อาจจะรู้สึกว่าโอ้ยังไม่ทันจะทาอะไรเลยยังไม่ทันจะได้อะไรเลยก็ศึกสะละ ก็กลายเป็นว่าเวลาที่ผ่านไป3เดือนอาจจะได้ไม่คุ้มค่าเท่าไหร่อาจจะได้อย่างมากก็คือเออได้ความสงบได้สัมผัสกับบรรยากาศของธรรมชาติแล้วก็ได้รู้จักการใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายนะที่ไม่มีโทรทัศน์ไม่มีวิดีโอคอมพิวเตอร์นะให้มารบ ก, กวนจิตใจจนไม่มีเวลาเหลือสำหรับเรื่องอื่นอันก็ขอให้ให้ระลึกว่านะเวลาที่เรามีอยู่ อีกแปดสิกกว่าวันนี้ไม่ใช่เป็นเวลาที่มากเลยเป็นเวลาที่อาจจะรู้สึกน้อยโดยซ้ำเมื่อเทียบกับชีวิตของเราทั้งชีวิตแล้วก็อาจจะเป็นโอกาสเดียวของเราที่จะได้มีโอกาสมาปฏิบัติธรรมในลักษณะที่เป็นตัวของตัวเองแบบนี้เพราะว่าเมื่อเราสึกไปหรือว่าไปอยู่ที่อื่นก็อาจจะไม่มีโอกาสแบบนี้อีกหลายคนพอสึกไปแล้วก็มา น, นึกเสียดายว่าช่วงที่อยู่วัด ไม่ได้ใช้หรือโชวโอกาสอย่างเต็มที่ก็มวัวแต่ไปเพลินกับอะไรบางอย่างบางคนก็จะรู้สึกว่าโอ้ก็ได้ใช้เวลาเต็มที่แต่ว่าก็นึกเสียดายว่ามันยังน้อยไปไม่สามารถจะปฏิบัติไปได้นานถึงตอนนั้นก็ชีวิตการงานชีวิตครอบครัวก็ดึงเอาเวลาไปไม่มีโอกาสจะมาปฏิบัติได้เต็มที่อย่างนี้ดังนั้นก็ขอให้ทุกท่านเมื่อมาตั้งใจอธิษฐานพรรษา ไม่ว่าจะเป็นพระชีหรือโยมนะก็ขอให้ได้ใช้เวลาที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์เต็มที่ไม่ใช่เพียงแค่ว่าเกิดความสงบสบายใจในระหว่างที่อยู่ที่นี่เท่านั้นเพราะว่าความสงบสบายใจแบบนั้นเนี่ยมันไม่ยั่งยืนคือพอออกจากนี่ไปหรือสึกอาลัสเพศไปไปเจอกับบรรยากาศเก่าๆไอ้ความสงบที่ได้มามันก็อยู่ได้แค่4หวัน78วันแล้วมันก็ ค่อยละลายหายไปเหมือนกับว่าไม่เคยได้มาบวชเลยก็มีแต่ว่าถ้าเราใช้อกาสนี้ในการปฏิบัติผลที่เกิดขึ้นก็ จ, จะยั่งยืนนะเพราะว่าได้หลักได้แนวหรือว่าได้พื้นฐานที่จะไปทำต่อปฏิบัติต่อที่ในบ้านในชีวิตของคารวะผู้ครองเลือนทีนี้เรื่องการปฏิบัติเนี่ยก็ต้องทำความเข้าใจนะว่าการปฏิบัติในพุทธศาสนาเนี่ยมันก็มีหลายอย่าง ว่าไปแล้วการให้ทานก็เป็นการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งการให้ทานก็เป็นการปฏิบัติธรรมการรักษาศีลการใช้ชีวิยงเรียบง่ายก็เป็นการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งการภาวนาก็เป็นการปฏิบัติธรรมอีกอย่างหนึ่งซึ่งละเอียดลงไปถึงเรื่องของจิตใจมุ่งที่การฝุกจิตสุดใจโดยตรงการให้ทานการรักษาศีลนั่นก็เป็นเรื่องของวัตถุภายนอกเป็นเรื่องของการปฏิบัติที่กายที่วาจา แล้วก็ค่อยมีผลส่งมาที่ใจจากภายนอกสู่ภายในเมื่อเราให้ทานมากๆเราก็กลายเป็นคนที่ไม่หวงเป่นตนีเป็นคนที่มีน้ำใจแล้วก็มีความสุขเพราะว่าชีวิตไม่ยึดติด ก, กับสิ่งของอย่างเมื่อก่อนเมื่อเรารักษาศีลเราไม่ไปเบียดเบียนใครเรารู้จักทวนกระแสกิเลสทวนกระแสความอยากความโกรธในใจติดใจเราเข้าสู่ความปกติได้ง่ายขึ้น แล้วเมื่อเราไม่ไปบีบเบียนคลายใจิตใจแล้วก็มีความสงบได้ง่ายอันนี้คือการปฏิบัติที่ทรัพย์สินปฏิบัติที่กายที่วาจาแล้วก็สง่งผลมาที่ใจแต่ภาวนานี่เป็นเรื่องการปฏิบัติที่ใจโดยตรงนะเป็นการปฏิบัติธรรมที่ทํากันน้อยนะแล้วก็เราควรจะใช้โอกาสนี้ปฏิบัติกันที่กายแล้วก็ใจด้วยอันนี้เรื่องการภาวนาเนี่ยมันก็มีหลายแบบหลายแนวนะเช่นการฝึกจิตให้เกิดเมตตาอันนี้เราก็เลยเมตตาภาวนาน ฝึกจตให้ให้ระ ล, ลึกถึงความทุกข์ยากของผู้คนแล้วก็ปรารถนาดีแผ่ความปรารถนาดีออกไปให้ใหแก่คนทุกกลุ่มทุกเหล่าแม้แต่คนที่เราคุนข้องมองใจหรือว่าไม่ชอบคินหน้าหรือตั้งตัวเป็นศัตรู ก, กับเราเราก็แผ่เมตตาไปให้เขาอันนี้ก็เรียกว่าเมตตาภาวนาเป็นการทําให้เกิดจิตที่มีคุณภาพเป็นกุศลแต่ว่าก็มีภาวนาหลายอย่างเช่นการภาวนาเพื่อทําให้เกิดความสงบ อันนี้เราก็เรียกว่าสมถะนะสมถกรรมฐานหรือการภาวนาเพื่อให้เกิดปัญญาให้วิปัสสนาภาวน า, า, วนาหรือรวิปัสสนากรรมฐานหรือว่าการภาวนาเพื่อให้จิตเกิดความไม่ประมาทในชีวิตที่เป็นอยู่แล้วก็เรียกมรณสติภาวนาน่าคือการพิจารณามรณสติเพื่อคิดถึงความตายจะได้เกิดความตื่นรู้ไม่ประมาทในชีวิตที่เป็นอยู่ในสังขารในสุขภาพ ในทรัพย์สินในคู่ครองในเวลาที่เหลืออยู่นั้นภาวนา ม, มันมีหลายอย่างก็แตกต่างกันไปแต่และ ว, วิธีก็แตกต่างกันไปแต่สาหรับที่นี่เนี่ยนะเราก็จะในเรื่องการเจริญสตินะการเจริญสตินี่ก็ถ้าพูดอย่างเป็นเป็นหลักเป็นทา้ายคือเรื่องของสติปัฏฐานอันนี้จากพูดถึงเรื่องการเจริญสติก็ต้องเข้าใจนะคำว่าสติสติความหมายพื้นพื้นนะแล้วก็ที่ครอบคลุมก็คือความระลึกได ระลึกได้จําได้อันนี้ก็สตินะอย่างที่ยกตัวอย่างไปว่าเออเราทํางานหรือดูโทรทัศน์ไปแล้วก็เราลือกระลึกได้จําได้ว่าเราตั้งไฟเอาไว้ตั้งหม้อ น, น้าเอาไว้ไอ้ şey, ความระลึกได้ว่ามีงานที่ต้องทําต่อไปนี่ก็สติบางคนก็ระลึกได้ว่าเสร็จจากสวดมนต์แล้วก็ต้องไปไปทําธุระที่ครัวหรือระลึกได้ว่าจากธรรมวจนมนต์แล้วก็มีนัดไปคุ ย, คยกับใครอันนี้ก็คือหน้าที่ของสติระลึกได้ ระลึกได้ว่านโม3จบนี่สจบแรกนี่ก็ไม่มีแปลจบที่3ถึงมีแปลอ่านี่ก็สติแต่สติเหล่านี้เนี่ยมันยังไม่ใช่สติปฐานมันยังเป็นเรื่องการระลึกได้ในสิ่งที่เป็นเรื่องนอกตัวสติปัฐานเนี่ยจะเจาะจงไปถึงเรื่องการระลึกได้ที่เกี่ยวกับกายและใจคือระลึกรู้ในกายและใจเช่นเคลื่อนไหวมือไปมาก็รู้หรือว่าเอามือปัดยุงก็รู้ รู้ว่ากำลังปัดนะหรือว่าขยื่อนขยับขาเพราะเมื่อยและรู้นะอันนี้ก็เรียกว่าสติแต่ถ้ามันเป็นเรื่องการระลึกได้เนี่ยก็หมายความว่าขณะที่เรากําลังสวดมนต์อยู่เนี่ยนะบางทีเราใจราลอยใจราลอยไปแล้วเราระลึกได้ว่ากําลังสวดมนต์อยูนะ่ดึงจิตกลับมาไอ้ตัวที่ระลึกได้ว่ากําลังสวดมนต์อยู่ขณะที่ใจลอ ย, อยนั้นแหละ ทำให้จิตกลับมาอยู่ที่การสวดมนต์ตรงนั้นแหะคือสติแล้วสติเราทํางานอยู่หลายครั้งเวลาเราทำวัดสวดมนต์เพราเราเผลอบ่อยแต่เราเผลอแล้วเรารู้รู้ว่าเผลอแล้วก็รู้ว่ากําลังทําอะไรอยู่อันนี้คือรู้กายรู้ใจรู้ว่าเผลอนี่คือรู้ใจนะสร้างจังหวะเดินจงกรมกําลังเดิอนอยู่อ้าวเดี๋ยวใจมันลอยไปแล้วไปที่บ้านมังไปที่ครัวมั่งแล้วลึกได้ขึ้นมาว่ากําลังเดินจงกรมอยู่อันนี้ก็เรียกว่ารู้กาย ระลึกได้เพราะว่าไอการเคลื่อนไหวขยับขาไปมาเนี่ยมันมันเป็นความรู้สึกที่มาเตือนใจให้ตัวความระลึกได้ใหม่ๆมันก็ไม่ระลึกได้นะเพราะว่าเดินไปก็เดินไปอย่างนั้นแหละแต่พอฝึกสติบ่อยๆเดินไปเดินมาเนี่ยไอการเดินเนี่ยมันก็จะเป็นตัวเตือนเพราะมันมีความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนไหวเท้าไปมาหรือมีการเคลื่อนย้ายเคลื่อนทั้งตัวความรู้สึกทางกายนี่แหละที่มันก็จะไปเตือน เตือนใจที่เผลอคิดฟุ้งซ่านให้ระลึกได้ว่ากํลาลังทําอะไรอยู่กําลังเดินจงกรมอยู่อ้ามก็กลับมาตัวที่ระลึกได้นั่นแหละก็คือสติแล้วก็เป็นสติปัฏฐานเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการรู้กาย ร, รู้ใจคือรู้เรื่องตัวเองไม่ใช่รู้นอกตัวรู้ว่า18บแปดตูราเป็นวันกระริ่น น, นั่นมันรู้นอกตัวรู้ว่าตั้งน้ําไว้ที่ครัวอ่านั่นมันรู้นอกตัวซึ่งคลยๆก็มีได้นะโจรก็มีเวลาโจรมันจะปล้นมันก็รู้่มันก็มีสติพวกที่ ขับรถซิ่งนี่ก็มีสติมากนะเพราะต้องคอยดูว่ามีรถสวนมาไหมถ้ารถสวนมาแล้วก็หรือว่ามากลจ้จะประสานกับตรงสี่แยกนี่จะโดดโดดยังไงมันก็ต้องมีหลังในการโดดนะแล้วก็ยิงมีคนที่เรียกว่าซ้อนหลังด้วยพวกที่ขี่รถซิ่งเคยมาเลาให้ฟังเวลาขี่ซ้อนหลังเนี่ยผู้ชายขี่ข้างหน้าผู้หญิงซ้อนหลังเวลารถมันจะชนรถข้างหน้าเนี่ยมันต้องทิ้งรถทิ้งรถมาเตอร์ไ ก็ต้องให้สัญญาณคนข้างหลังโดดก่อนแล้วต้องโดดเป็นคนละทิศนะเช่นข้างหลังโดดซ้ายข้างหน้าก็ต้องโดดขวาถ้าโดดไปทิศเดียวกันก็ตายไอย้พวกนี้เนี่ยต้องมีสติมากเลยเพราะว่าต้องโดดให้ได้จังหวะโดดก่อนก็ไม่ได้โดดหลังก็ตายสติมีแต่มันเป็นสติที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับ น, นอกตัวซะเยอะคือเป็นเรื่อ ง, องการดูเป็นเรื่อ ง, องการระมัดระวังเรื่องของความระลึกได้สิ่งที่มันอยู่นอก แต่ว่าสติปัทานเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับนักปฏิบัติแล้วก็มันเป็นสิ่งซึ่งเราให้ความสำคัญกันใครที่จำได้แล้วลึกได้เก่งนะอันนี้ก็ดีแล้วนะแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นการระลึกได้ในสิ่งที่เป็นเรื่องนอกตัวเช่นจำพอสอได้ว่ากรุงเทพสร้างเมื่อไหร่อุทยาเสียกรุงเมื่อไหร่ไอ้พวกนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องความรู้ที่เป็นเรื่องนอกตัวก็ใช้ ร, รมาหากินได้ แต่ถามว่ามันจะช่วยพ้นทุกได้ไหมมันช่วยทําให้เกิดปัญญารู้แจ้งความเป็จริงของชีวิตได้ไหมมันก็ไม่ใช่เพราะมันจะเป็นเพียงแค่ความรู้จําอยู่เราลึกได้แบบนี้มันไม่ได้ช่วยให้พ้นทุกแต่ถ้าสติปัญญาก็จะตรงมาถึงเรื่องของรู้กายรู้ใจซึ่งละเอียดมากก็คือว่าใจเผลอใจลอยก็รู้รู้ว่าเผลอไปหรือว่าทําอะไรเอามือปัดจุงอ่าก็รู้ ใหมายมันไม่รู้นะปัดยุงเสร็จแล้วตียุงตายเสร็จแล้วถึงค่อยรู้หรือว่ารูปศีสาะเนี่ยบางทีก็ไม่รู้นะอ้าวรูปเสร็จค่อยรู้แต่ว่าพอพอเจริญสติให้รู้กายบ่อยๆรู้ ก, กายบ่อยๆรู้กลายที่เคลื่อนไหวไปมารวมทั้งคอยระลึกได้ว่าอ้าวเมื่อกี้เราเผลอไปนะเราลูบหัวเราตบยุงเราไม่รู้เราลืมไปไอการที่ระลึกได้แบบนี้บ่อยๆระลึกได้ไบ่อยๆเนี่ยมันก็จะทำให้รู้กายได้ไวขึ้น แต่ก่อนนี่รูปไปแล้วถึงค่อยรู้แต่ตอนหลังนี่ยกมือรูปอ่าก็เริ่มรู้ทันแล้วอันนี้เรียกว่าตามรู้เวลามือขยับนี่ก็รู้รู้ว่ามือกําลังขยับแต่ตอนที่เริ่มสตาร์นี่จะไม่รู้นะมันทําไปโดยสัญชาตญาณเพราะว่าเป็นนิสัยหรือเพราะว่าความไม่รู้ตัวก็แล้วแต่ยุงมาเกาะ น, นี่ก็มือก็เคลื่อนไปแล้วโดยที่ไม่ทันจะรู้ตัวเลยแต่ว่าขณะที่เคลื่อนนั่นเองเนี่ยสติมันตามมาสติมันระลึกเกิดความระลึกได้ขึ้นมาก็มีการตามรู้ อันนี้ก็เรียกว่ารู้กายนะคือรู้อิริยาบถและถ้ารู้ บ, บ่อยๆมันก็จะเกิดความรู้ตัวในการเคลื่อนไหวไปมาเรียกว่าสัมปชัญญะคือว่ามีความรู้ตัวในการกระทำในการเคลื่อนไหวต่างๆนี่คือสติปัฏฐานซึ่งพูดง่ายๆสรุปสรุปก็คือว่าระลึกรู้ในกายและใจเวลาทำอะไรก็รู้ตอนที่เริ่มต้นอาจจะไม่รู้แต่ว่าพอทาไปสักพักก็ตามรู้ได้นะ พอตามรู้ได้คันนี้ก็สติก็ทำให้เกิดความรู้ตัวเองต่อเนื่องแต่ว่ามันก็จะหลุดไปหลุดไปไหนห ล, หลุดไปในความคิดก็มีสติรู้ความคิดนั้นพอสติรู้ความคิดนั้นคือระลึกได้ว่ากาลังทำอะไรอยู่ไม่เผลอก็กลับมาบางคนก็พูดง่ายๆว่าสติคือไม่ลืมสัมปชัญญะคือไม่หลงไม่ลืมก็คือระลึกได้คันนี้พูดสรุปว่าคือระลึกได้มันมีระลึกได้2 อ, อย่าง อันนี้พูดถึงสติปัฏฐานนะไม่ต้องพูดเรื่องสติที่มันความระลึกได้ในเรื่องนอกตัวความระลึกได้ในกายและใจเนี่ยมันก็มีอยู่2ส่วนก็คือว่าระลึกได้ว่ากําลังทําอะไรอยู่อันนี้มันจะเกิดขึ้นเวลาเผลอเผลอแล้วก็ระลึกได้ว่ากําลังทําอะไรอยู่กําลังสวดมนต์อยู่อ้าวแต่ใจลอยแล้วใจตอนที่ใจลอยมันระลึกได้ว่ากาลังสวดมนต์อยู่เอากลับมานี่คือระลึกได้ว่ากําลังทําอะไรอยู่ อย่างหนคือระลึกได้ถึงสภาวะอารมณ์ที่เกิดขึ้นเช่นเวลาโกรธนะแต่ก่อนโกรธแล้วไม่รู้ตัวแต่พอจิตมันจําสภาวะของอารมณ์โกรธได้เนี่ยมันจําได้บ่อยๆมันจําได้บ่อยๆครันนี้พออารมณ์โกรธเกิดขึ้นนี่มันรู้รู้แล้วก็วางได้หรือเวลาเราง่วงเหงาหานอนเนี่ยแต่ก่อนพอง่วงเหาหนอนเสร็จก็หลับไปเลยซึมไปเลยนะแต่พอตั้งสติอยู่เรื่อยๆเนี่ยนะอาจจะเพ้อหลับไปหลายครั้งหลายครั้งหลายครั้งแต่พอทําไปทําไปทําไปมันจํา เจอความง่วงอ้าวานอนบ่อยๆเนี่ยก็จําได้จําได้จําได้แล้วจําได้เร็วขึ้นพอมันพอมันง่วงเอ้ารู้เลยแล้ลึกได้ขึ้นมาว่าเอ้าง่วงแล้วพอเราลึกได้ขึ้นมาเนี่ยความรู้ตัวก็ตามมาทันทีมันก็ทําให้หลุดจากอารมบนั้นได้นี่เรียกว่าเราลึกรู้อารมณ์ตรงนี้นี่ก็คงคล้ายๆกับเวลาร่างกายมันสู้กับเชื้อโลกอะ่ะตอนที่ร่างกายเนี่ยมันเจอเชื้อโลกครั้งแรกเนี่ยภูมิคุ้มกันเนี่ยมันไม่รู้จัก มันก็ปล่อยให้เชื้อโรคเข้ามาเล่นงานเช่น HIV บ้างซาบ้างโรคหวัดเนี่ยนะั้นตัวดีเลยเวลามาเข้ามาทีแรกเนี่ยภูมิคุ้ม ก, กันมันไม่เคยเจอเนี่ยมันจําไม่ได้มันก็ปล่อยให้เชื้อหวัดเข้ามาปล่อยให้พวกไวรัสแบคทีเรียวพวกนี้เข้ามาบางทีทาจนเกือบตายนะแต่ว่าถ้าเกิดไม่ตายนะภูมิคุ้ม ก, กันในร่างกายมันจะจําได้ว่าไอเนี้ยหวัดไอเนี้ยอชิวา้าไอเนี้ยปอดบวมไอนี่โรคซา อันนี้พอมันเข้าใหมา่ทีนะจําได้แล้วเพราะมันจําได้นะผู้คุ้กันก็เข้าไปกินเลยดงนั้นคนเราเนี่ยถ้าเป็นโรคแล้วเนี่ยจะเป็นได้ครั้งเดียวเช่นทรารพิษเนี่ยโรคทารพิษนี่ก็รู้กันอยู่แล้วว่าสมัยก่อนเป็นกันเยอะตายกันเยอะแต่คนที่รอดมาได้เนี่ยถ้าเป็นครั้งเดียวแล้วเนี่ยไม่เป็นอีกวัดก็เหมือนกันนะเป็นครั้งเดียวแล้วไม่เป็นอีกแต่ที่มันเป็นบ่อยๆเพราะมันเจอหวัดคนละตัววัดตัวใหม่มันมาเรื่อยๆเพราะไวรัสนี่มันปรับตัวอยู่ได้เรื่อยๆเราก็ต้องจําได้อยู่เรื่อยๆ จต่จำไม่ได้หมดแลเพราะว่ามันเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆผ่านเราไอระบบปุ้งกันในร่างกายอาศัยการจำนะสติก็ทำหน้าที่นี้แหละเราจะสู้ความทุกข์ก็ต้องจําได้ว่าไอ้ตัวอารมณ์ที่มันเป็นทุกข์ที่ก่อทุกข์นี่มันคืออะไรบ้างความโกรธเป็นอย่างไรความเกลียดเป็นอย่างไรความเผลอเป็นอย่างไรความฟุ้งซ่านเป็นอย่างไรความงา่วงงานอนเป็นอย่างไรมันมีเยอะนะร้อยแปที่พูดมา น, นี้ก็เป็นตัวอย่างเล็กๆน้อย อันนี้พอเราตั้งสติอยู่เรื่อยๆ เ, เนี่ยมันก็จะจําได้จําได้จําได้ระลึกอารมณ์ได้อันนี้พอมันเกิดขึ้นเราก็จะจําได้ไวขึ้นไวขึ้นแต่ก่อนโกรธเป็นชั่วโมงถึงจะระลึกได้แต่ตอนหลังนี่โกรธครึ่งชั่วโมงก็ระลึกได้แล้ว ต, ตอนหลังนี่โกรธ10นาทีก็ระลึกได้ความฟุ้งซ่านก็เหมือนกันแต่ก่อนฟุ้งซ่านเป็นเรื่องเป็นราวยาวเหเอียดจากเรื่องนั้นไปสู่เรื่องนี้กวจะรู้ตัวคิดไปสิเรื่องแล้ว แต่พอตั้งสติอยู่เรื่อยๆอยู่เรื่อยๆอยู่เรื่อยๆมันก็จะจําได้จาก10เรื่องก็เหลือ8เรื่องจาก8เรื่องก็เหลือเจ็เรื่อง6เรื่องมันจําได้ดีขึ้นไวขึ้นหน้าที่ของสติคือไวคือทํางานได้ไวอันนี้คือสติปัฏฐานคือรู้กายรู้ ใ, ใจคนบางคนจําตัวเลขได้เยอะจําเบอร์โทรศัพท์ได้ไวอันนี้พอมาเจอสติปัฏฐานอาจจะเดี้งก็ได้คือไม่รู้กายรู้ใจฟุ้งซ่านไปได้เยอะ คนที่จําได้ไว้จาได้เก่งในเรื่องวิชาวความรู้ไม่ได้แปลว่าจะจะจำเรื่องกายเรื่องใจได้ดีนะมันคนละอันกันเพราะว่ามันต้องอาศัยการฝึกนะคราวนี้เราก็ต้องฝึกนี่แหละก็คือให้เกิดความระลึกได้ระลึกรู้ในกายและใจนะร ะ, ะลึกได้ว่ากําลังทําอะไรอยู่แล้วก็ระลึกได้ในภาวะอารมณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อทําเช่นนี้นะเราก็จะสามารถจะเป็นอิสระจากอารมณ์ต่างๆที่เข้ามาครอบงำจิตและทําให้เกิดความทุกข์ขึ้น ทีนี้แม้ทั้งอารมณ์ที่ทำให้เกิดความสุขนะเพลินในสุขแต่ก่อนเนี่ยมันไม่มีสติมันก็เพลินในสุขเมื่อเพลินในสุขก็รู้รู้แล้วก็ทําให้วางได้ต่อไปเมื่อเจอทุกข์มันก็ไม่จมในทุกข์คนเราถ้าเพลินในสุขมากมก็จมในทุกข์ในได้ น, น, นานพอเรารู้ทันนะมันก็วางได้วางได้ในที่ไหนหมายความว่ามาอยู่กับปัจจุบันคือรู้ตัวรู้ตัวความรู้สึกตัวก็จะเกิดขึ้นความรู้สึกตัวทั่วพร้อมนี้เราก็มีชื่อเรียกว่าสัปพัญญา รู้ตัวเท่าพร้อมแต่บางทีก็เรียกรวมๆกันไปอ่ะเช่นระลึกรู้เนี่ยบางทีเราจะใช้คําว่าระลึกรู้ก็คือรวมทั้งสติสัพพัญญาเข้าไปด้วยการปฏิบัติของเราคือตรงนี้นะคือมาฝึกสติให้เกิดความระลึกรู้ในกายและใจเริ่มต้นจากการเจริญสติเริ่มจากการใช้อิเลีย บ, บทการเคลื่อนไหวคือมีรูปแบบการปฏิบัตินะเช่นการสร้างจังหวะเดินจงกรม บางแห่งบางสำนักก็ใช้ลมหายใจนะก็คือให้ระลึกรู้ในในกายคือลมหายใจที่มันเข้าออกแต่ว่าในการปฏิบัติที่นี่เราจะในเรื่องอิริยาบถนะระลึกรู้ในในลมหายใจหรืออนาปานาสติแต่ว่าการเจริญสติปัฏฐานโดยเฉพาะกายานุปัสสนามันมีชื่อของมันกายานุปัสสนาคือการตั้งสติเพื่อให้รู้กายพิจารณากายหรือเห็นกายเนี่ย มีหลายอย่างมีอนาปานาสติแล้วก็มีอิริยาบถก็คือรู้ทันอิริยาบถแล้วก็มีสัมปชัญญะคือการทําความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเมื่อเคลื่อนไหวหรือกระทําการใดต่างๆการปฏิบัติของเราที่นี่เราจะเน้น2ตัวหลังก็คืออิริยาบถแล้วก็สัมปชัญญะพูดง่ายคือว่าจะทําอะไรก็ให้รู้ตัวในสิ่งที่เราทําไม่ใช่บริกรรมนะไม่ใช่บริกรรมว่าฉันกํลาลังเดินฉันกำลังเดินฉันกลาลังสร้างจังหวะฉันกลาลังสร้างจังหวะอันนั้นเป็นความคิด ความคิดมันไม่ใช่สติมันไม่ใช่ความคิดสติมันเป็นเรื่องของความรู้โดยไม่ต้องคิดและลึกรู้โดยที่ไม่ต้องเจตนาอย่างเวลาเราทํางานแล้วเราก็นึกขึ้นมาได้ว่าอ๋อนะนัดคนเอาไว้เนี่ยไอตอนที่นึกขึ้นมาได้เนี่ยมันไม่ได้เกิดจากจากเจตนามันเกิดขึ้นเองความรูลึกได้มันเกิดขึ้นเองแต่เกิดขึ้นเองไม่ได้ไหมายความว่าฝึกไม่ได้มันฝึกได้จากการที่เรารึกบ่อยๆเราลึกบ่อยๆเหมือนกับเราจะท่องจำคำศัพท์อะ เราท่องจำคำศัพท์บ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆก็จําได้เร็วขึ้นบทสวดมนต์นี่มันยาวเหลือเกินท่องไม่ได้เลยแต่ส่วนปลส่วนปลส่วนปมันจำได้ก็คือว่าต้องฝึกบ่อยๆฝึกบ่อยๆจากการเดินจมกรมสร้างจังหวะที่สร้างรูปแบบมาให้แต่รู้ในที่นี้อยากจะย้ําว่าไม่ใช่การเพ่งนะความตั้งใจจะเข้าไปเพ่งเนี่ยความตั้งใจจะเข้าไปรู้เนี่ยมันมันไม่ใช่สติแล้วมันเป็นการเพ่ง แล้วทำไปแล้วก็จะเครียดทำไปแล้วก็จะทุกข์นะเพราะว่าจิตนี่มันไม่ยอมจิตมันจะสู้จิตมันจะพยศมันจะไม่ยอมให้ใครมาบังคับมันแล้วเรายิ่งไปสู้กับจิตมาเท่าไหร่เราก็จะเหนื่อยเราก็จะเครียดก็เพียงแต่รู้เบาๆนะรู้เบาๆนะเวลาเคลื่อนไหวมือไปมาก็รู้เบาๆยังสามารถที่จะรับรู้สิ่งภายนอกได้นกร้องไก่ร้องได้ยินนะเสียงรถผ่านมาได้ยินแต่ว่า เราลึกรู้ในความรู้สึกของกายที่เคลื่อนไหวก็ยังรับรู้อยู่ครูบาอาจารย์บางท่านเช่ทนท่านอาจารย์ปรามมชก็ใช้ควาว่าให้ให้รู้กายเคลื่อนไหวเป็นแบ็กกราวเป็นแบ็ r กราวคือว่ามันมันบางๆคือรู้รู้กายแต่ก็ยังรู้ภายนอกได้แต่ถ้าเราไปเพ่งเนี่ยจิตมันจะปิดลับเลยนะมันจะไม่รับรู้ภายนอกเท่าไหร่มันจะไปจดอยู่ที่กายรับเพ่งจีเข้าไป คนมาหาบางทีก็ไม่รู้อะเพราะว่าจิตมันไม่รับรู้ภายนอกอันนี้มันเรียกว่ารู้รู้แบบเพ่งเข้าไหนมากนะตอนที่หลวงพ่อคำเขียนฝึกกับหลวงพ่อเทียนเนี่ยตอนนั้นหลวงพ่อคำคำเขียนก็ยังเป็นคารวะอยู่มีคราวหนึ่งหลวงพ่อคำเขียนก็ฝึกปฏิบัติอยู่ในห้องหลวงพ่อเทียนก็ถามว่าถามอยู่ข้างนอกตั้งล่างว่าทําอะไรอยู่พ่อก็บอกว่ากําลังปฏิบัติอยู่คือไม่ได้กําลังนอนพ่อก็เทียนก็ถามว่า ตรงนั้นเนี่ยเห็นข้างนอกไหมไม่เห็นเพราะปิดประตูเหลือแต่หน้าต่างพอเชิงก็บอกให้หลวงพ่อเขียนเปิดประตูมาพอเปิดประตูก็บอกว่าเห็นข้างนอกไหมเห็นครับเห็นข้างในไหมคือหมายถึงเห็นข้างหนห้องอะเห็นครับหลวงพอ่อถึงก็บอกว่าเออให้ทําอย่างนั้นแหละคือปฏิบัติเจริญสติคือรู้ทั้งนอกและรู้ทั้งในซึ่งมันไม่ได้เกิดจากการเพง่งถ้าไปเพ่งได้มันเห็นแต่ข้างในมันไม่รับรู้อะไรภายนอกเลย เรื่อปฏิบัติเนี่ยให้เราอย่าไปทําด้วยความอยากเพราะถ้าทําด้วยความอยากแล้วมันจะไปเพ่งเพ่งนี่ก็เพ่ง2อย่างคือเพ่งที่กายเพ่งที่มือเพ่งที่เท้าหรือไม่ก็ที่ไปเพ่งที่ใจคอยสกัดความคิดไม่ให้มันออกมาเผอคิดมาแล้วก็ตะบมันเผอคิดแล้วก็ตะบบมันอย่าไปเพ่งอย่างนั้นจะเครียดต้องให้มันเกิดขึ้นก่อนแล้วค่อยรู้ตามนะอันนี้เรียกว่าตามรู้ให้มันเกิดขึ้นก่อนแล้วค่อยรู้ตาม ให้มันเผลอคิดซะก่อนแล้วค่อยรู้แล้วก็จะระลึกได้ขึ้นมาว่า อ, อ๋อเรากําลังทําอะไรอยู่วิธีเช่นนี้เนี่ยสำหรับคนที่ต้องการความสงบวัยๆเนี่ยจะไม่ชอบเพราะว่าจิตมันจะฟุ้งซ่านเยอะหลายคนก็บอกว่าโอ้ไปเราปฏิบัตินี่ฟุ้งซ่านเหลือเกินฟุ้งซ่านกว่าตอนไม่ปฏิบตัติอันนั้นถูกแล้วละ่ะเพราะว่าตอนไม่ปฏิบัติเนี่ยมันมีงานอื่นทํามันมีหนังสืออ่านมันมีโทรทัศน์ดูมีงานทําเจิตมันก็ไปเพ่งออกนอกจิตมันก็ไปรับรู้แต่เรื่องภายนอก เพราะจิตมันชอบทํางานชอบโดดไปข้างนอกถ้ามีหนังสืออ่านมีโทรทัศน์ดูมีงานทํามันก็มันก็ไม่คิดฟุ้งซ่านหรอกแต่พอไม่มีงานทําไม่มีงานภายนอกทําไม่มีหนังสืออ่านไม่มีโทรทัศน์ดูไม่มีงานทํำอ้าวคันนี้จิตมันกระสับกระสายมันทุลนทุลายมันก็ต้องหางานทําก็คือหาเรื่องคิดนะฉนั้นคนที่ไปปฏิบัติเนี่ยบางคนจะรู้สึกว่าฟุ้งซ่านน้อยกว่าเวลาปฏิบัตินะเพราะว่าจิตมันว่างมันว่างงานเกินไปมันก็เลยหาเรื่องคิด ก็ต้องทนนะอย่าไปหงุดหงิดให้มองด้วยใจเป็นกลางให้ยอมรับสภาพที่เกิดขึ้นกับใจของตัวนี่คือแบบฝึกหัดขั้นต้นเลยคือวางใจให้เป็นอุเบกขาให้ได้ให้มากที่สุดวางใจยอมรับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับกายและใจโดยไม่ผักใสโดยไม่ขัดขืนเพราะถ้าเราพยายามขัดขืนมันอันนี้ก็แสดงว่าเราจะทําด้วยด้วยความอยากแล้วเราก็จะทำให้การเจริญสติมันไม่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอย่างที่ควรจะเป็น มันเผลอก็ก็ไม่ได้ห้ามไม่ให้มันเผลอนะแต่ว่าก็ไม่ใช่เพลนปล่อยใจเพลนไปกับความเผลออันนี้มันยากสัหน่อยคือมันเป็นทางสายกลางระหว่างไม่เผลอแล้วก็ไม่เพ่งคนส่วนใหญ่นี่ถ้าไม่เผลอก็เพ่งแต่ว่าการปฏิบัตินี้มันเรียกว่าอยู่ตรงกลางกลางคือไม่เพ่งแล้วก็ไม่เผลอแต่จะห้ามไม่ให้เผลอก็ไม่ได้นะมันก็ต้องเผลอก่อนเผลอก็รู้ว่าเผลอปล่อยใจให้เผลอแต่ไม่ใช่หลงตามมันรู้ พอเราลึกได้ว่ากําลังสร้างจังหวะกำลังเดินตรงกลมสติก็ดึงจิตกลับมามารับรู้กายให้ทําอย่างนี้แหละถ้ามันไม่มีอะไรคิดมันไม่มีเรื่องคิดก็อย่ายไปหาเรื่องคิดอย่ายไปถามว่าอย่ายไปสํารวจตรวจสอบว่ากําลังคิดอยู่หรือเปล่านะใหม่ๆนี่คนนักปฏิบัตินี่มักจะไปเข้าไปสํารวจตรวจสอบว่ากาลังคิดอยู่หรือเปล่านั่นแหละถ้าทำอย่างนี้ก็แสดงว่าจิตมันคิดแล้วให้อยู่กับกายไปถ้ามันไม่เผลอคิดก็อยู่กับกายไปเผลอคิดมาแหละก็ให้รู้มัน ไม่ต้องไปทำอะไรกับมันเอาเท่านี้แหละนะปฏิบัตินะเป็นขั้นต้นก่อนนะเป็นการบ้าน